เมื่อปีติเกิดก้นมาแล้วก็มีความสุขใจผูกบอกไม่ผูกเหมือนกั น, นแต่ใครจะเข้าไปถึงตัวนั้นมันปฏิจับความสุขเกิดขึ้นมาอาการอารมณ์เดียวมันก็เกิดขึ้นมามันก็เลยจะมีอวีตกวิจารานปีติสุขเอเกกตา ทิ้งทั้งห้าอย่างนี้มันรวมอยู่ที่จยดเดียวกันแต่มันเป็นคนลักษณะก็ตามมันแต่ว่ามันรวมอยู่ที่อันเดียวกันเรามองเห็นทั่วถึงกันหมดเมื่อผลไม์เอามารวมในกระจาดเดียวกันมันเป็นคนได้อย่างกวาช่างมันเถอะมันจะเห็นทุกอย่างในกระจาดอันนั้น วิตกกรณีวิจาร์กรณีปีติกรณีสุขกรณีเอกกตากรณีเราได้มองลงที่จิตตรงนั้นมันจะมีหมดทั้งอย่างห้าอย่างกอรัชณะอันนั้นมันเต็มอยู่อย่างนั้นมันก็มีอยู่นั้นนะแล้วมันสุขขึ้นยังไงมันวิตกอย่างไงมันวิจารยังไงมันปีติยังไงมันสุขยังไงมันบอกไม่ถูกเมื่อมันรวมลงนั้นไม่มองเห็นมันเต็มอยู่นะเ็มในใจของเราอยู่นะมันเต็มหมดอย่างนี้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 อย่าไปสงสัยมันมีเรื่องปฏิบัตินี้ให้มองดูแล้วเมื่อมันเป็นช่นี่ลัษณาจิตของเรามันเป็นอย่างไรให้อยู่กับอันนี้ฉะนั้น่ทำไปอันนี้มันได้ฐานแล้วมันได้ฐานแล้วมันมีสติรับปัญญารู้ตัวมันทางการยืนเดินนั่งนอนแล้วนี่ เมื่อเราเห็นอะไรเกิดขึ้นมาต่อนั้นไปแต่เราจะกาิอันนี้นะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมเมื่อเราเห็นอันนั้นเกิดขึ้นมาเรื่อยๆไปเรื่องชอบใจไม่ชอบใจเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอะไรสงสจยไม่สงใจนั่นก็เรียกว่ามันมีการขอกิจนาตรวจตาหรือผลงานของมันเองอย่าไปชี้ว่านั้นเป็นอันนั้นอนันยาเลยยาเ อ, อ, อรู้ เห็นเรื่องจริงทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นกับจิตนั้นก็สักแต่ว่าอาเป็นแต่ความรู้สึกเท่านั้นเองอันนี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดแน่วดับไปเกิดขึ้นมาเราตั้งอยู่ตั้งอยู่มันก็ลบไปมันก็เป็นแค่ท่านี้ไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไ, ไม่มีเราไม่มีเขาไม่ควรยึดมั่นถือมันในอันใดอั น, น, นหนึ่งอะไรตายเหล่านี้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 มันก็เบือ่อเบื่อกายเบื่อจิตอันนี้เบือ่อเบื่อที่สิ่งที่มันเกิดมันดับมันไม่แน่อย่างนี้อยู่ฉะนั้นเนี่ยจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันก็เห็นเนี่ยก็เห็นเนี่ยื่อจิตมันเบือ่อแล้วมันก็หาทางออกสะนั้นเนี่ยมันก็หาทางออกจากสิ่งทั้งหลายแบบนั้ น, นไม่อยากเป็นอย่างนี้ไม่อยากมาอยู่อย่างนี้เห็นโทษ เห็นโทษแลมันเห็นโทษในโลกนี้แล้วเห็นโทษในชีวิตที่เกิดมาแล้วอย่างนี้เมื่อจิตเป็นเช่นนี้แล้วก็ไปนั่งอยู่ที่ไหนมันก็เห็นเรื่องอันดีจังเรื่องทจบขังเรื่องอันเล็กายนั่นไม่มีที่จะไปจับต้องมันแล้วทีนี้จะไปนั่งอยู่โคลนไม้ก็เลยฟังเทศน์พระพุทธเจ้า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 มันเกิดแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วก็แปรไปหลับไปเลื่อนกันทังนั้นเออฉะนั้นนี้เราก็จะมองเห็นโลกนี่ชัดขึ้นเห็นรูปนามนี่ชัดขึ้นเห็นรูปประโรคอรูปประโรคอี่มัน ก, ก็ชัดขึ้นมันชัดขึ้นต่ออนิจจังขึ้นต่อทุกขังขึ้นต่ออนัตตา ถ้ามนุษย์ทางหลายกขไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันเที่ยงมันจริงอย่างนั้นมันก็เกิดทุกขึ้นมาทันทีมันเกิดอย๋ยวนั้นฉะนั้นมันก็ไม่เกิดถ้าเราเห็นรูปนามมันเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดแล้วก็เห็นรูปนามมันเป็นเพราะมันอยู่อย่างนั้นไหนไปยึดมั่นถือมั่นมันนั่งอยู่ที่ไหนก็มีปัญญา แม่เห็นต้นไม้มันก็เกิดปัญญาปิจงงารณาเห็นจินะชาติหญ้าต่้งหลายขึ้นมาเกิดขึ้นมาในพื้นมันก็มีปัญญาเห็นมแมลงกลางๆมันก็มีปัญญารวมแล้วมันเข้าจุดเดียวกันเป็นธรรมะจุดเป็นของไม่แน่นอนไปนั้นะนี่คือความจริงนี่คือกัรจะทำ มันเป็นของไม่เที่ยงมันเที่ยงอยู่ตรงไหนมันก็เที่ยงอยู่แค่ว่ามันเกิดมาแล้วมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันไม่แปลเป็นอย่างอื่นเท่านั้นก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นถ้าเราเห็นสิ่งนี้แล้วมันก็จบทางที่จะต้องไปแล้วนอย่างนั้นในทางกุศลศาสนานี่ตั้งแต่ความเห็นนี่ เห็นว่าเราโง่กวเขามันก็ยังไม่ถูกเห็นว่าเราเสมอกเขาก็ยังไม่ถูกเห็นว่าเราดีกวเขาก็ยังไม่ถูกเพราะมันไม่มีเราเนี่ยมันเป็นไยอย่างนี้มันก็ถอดอาจารมิมานะออกอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นโลกวิถูรู้แจ้งตามเป็นจริงถ้ามาเห็นจริงเช่นนั้นแล้วมันก็จิตมันก็จริง มันก็รู้เนื้อดูตัวมันมันก็รู้ถึงที่สุดอืมันตัดเหตุแล้วไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดขึ้นอีกแะผลตกเกิดขึ้นไม่ได้อือันนี้พูดถึงข้อปฏิบัติมันจะดําเนินการเพราะมันพยายางนั้นพระราชฐานที่เราจะต้องปฏิบัติใหม่ๆนี่หนึ่งให้เป็นคนซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมาสองให้เป็นคนอายคนกลัวอายต่อบาปสามมีรักษณาทีท่ครอบตัวอยู่ในใจของเราเป็นคนที่มากน้อยเป็นคนที่สัมโลด ถ้าคนมากน้อยในการพูดในการในทุกอย่างเมื่อเเห็นตัวของเรามันไม่ได้ไปวุ่นวายอันนัน้นเป็นเหตุอันนี้เป็นรากฐานที่มันมีในจิตนั้นก็ไม่มีอะไรมันกะร่วนจะสิมที่มันมีในจิตของเรานั้นมันก็มีร่วนต่สมาธิในจิตของเรานั้นมันจะร่วนมีจะสัปัญญา เต็มอยู่ในจิตของเรานั้นไม่มีอะไรอื่นยึดในขณะนั้นมันก็เดิอนอยในสินในสมาธิในปัญญาในศินในสมาธิปัญญาโดยอาการเช่นนั้นฉะนั้นนักปฏิบัติของเรานั้นอยาประมาทคําที่ท่านว่าอยาประมาทนั้นไม่ค่อยจะยิดน้อย ภาษาน้อยประมาทนี่ประมาทนี่คือของทุกทุกอย่างอย่าประมาทถึงแม้่มาถูกต้องแล้วกว็อย่าประมาทผิด้วก็อย่าประมาทดีแล้วกว็อย่าประมาทอืมมีสุขแล้วกว็อย่าประมาททุกอย่างท่านให้ประมาทท่านไม่ไม่ให้ประมาทเพราะอันนี้มันเป็นของแน่แน่ให้จับมันไว้อย่างนี้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 บอกวิธีที่ทอบรมจิตถ้าเราจะอบรมหนึง่งอบรมจิตนั่นเป็นตัวของเราเองแต่พราะจิตมันอยู่ที่เรามันรู้จักหมดทุกอย่างและวอยู่ที่เราไม่มีใครจะรู้เท่าถึงตัวเราเรื่อนปฏิบัตินี้มันอาใัยความจบตองอย่างนี้เราก็อยู่สบาย เดินอยู่ก็สบายนั่งอยู่ก็สบายให้ทำจริงๆเถอะอย่าไปทำไม่จริงคําว่าทำจริงๆในมันเหนื่อยไมไม่เหนื่อยอย่ะทำาฏิบัติทจริงๆเพราะทำทางจิตประพฤติทางจิตปฏิบัติทางจิตถ้าเรามีสติอยู่สัมปชัญญะอยู่แล้วเรื่องที่ถูกที่ผิดมันจะต้องรู้จัก ถ้ารู้จักล้วก็รู้จักข้อปฏิบัติตอนนั้นไม่จำเป็นมากมแล้วก็รู้ชิตทั้งหลายข้อปฏิบัติทั้งหลายทุกสิ่งทุกส่วนแล้วก็ให้นอกกลัมาอย่างเพื่อนทิ่สู่สามเณรอยู่ด้วยกันนั้นมันมีสองอย่างหนึ่งมันมีเยี่ยงสองมันมีอยาง เยี่ยงอย่างอย่างท่านว่าอย่าเอาอย่างให้เอาเยี่ยงยกให้เช่นท่านอาจารย์ทองรัฐนึทีเป็นครูบาอาจารย์มาสมัยก่อนคนไม่ฉลาดเอาธรรมะกับท่านไม่ได้คือไปเอาอย่างท่าน ไม่ไปเอาเยี่ยนของท่านไปเอาอยาของท่านยานของท่านอาจารย์ทองรัตน์ท่านพูดไม่สังวงสังวรตัวหยากของท่านอขอขอเงือขอด้วยไปแต่เมื่อท่านดุให้คนในที่ประชุมมันดุเก่งมากนี่หยาดของท่านเป็นอย่างนั้น แต่ยแย่ของท่านไม่มีอะไรคนผลที่สุดท่านไมมีอะไรนั่นเป็นสกกัจจะว่าพูดสัจจะว่าทำมรรคในความเป็นจริงนั้นท่านพูดอะไรท่านทําอะไรนะั่นน่ะท่านมุ่งธรรมะแจกคนเราไม่รู้เรื่องท่านมุ่งธรรมะไม่ใช่มุ่งให้เสียหาย มันก็ไม่เสียอยูเองเดินไปเดินมาไม่สังวรไม่สังรวมไปไหนนะฮะแกว่ายางของท่านเป็นอย่างนั้นวงตาบางคนจะเอาตามพันเสียหมด ม, มันเป็นเช่นนั้นฉชนนั้นพวกเราทุกคนนั้น อ่าอย่างผมเล่าให้ฟังน่นแหละสุขขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาอทุขขาปฏิปฏทาคิด ป, ปาปิญญาสุขขาปฏิปทาทันทาปิญญาสุขขาปฏิปฏทาคิด ป, ปาปิญญา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 ทุกขประเจปทาท่นานทาทิญยาปฏิบัติลำบากขัดขัดของของทุกสิ่งสาระัดปฏิบัติลำบากกัตทรูชมะกักัรรรตกรุชาช้าจะแปลว่าบารมีพราสร้างไว้มันน้อยต้องสร้างเวลานี้ให้มันมากมากอย่าไปทอดหอยมัน อ, มอย่างคนจน อะนึกว่าเราจนแล้วไม่ทำงานมันยิ่งไปกันใหญ่ถ้าเรานึกว่าเราจนแล้วเราควรต้องขยนันอย่างน้อยก็เสมอเลยกินอันนี้ตัวมันกำขนนั้นเราปฏิบัติให้มากทาไม่มากจะเริญให้มากมันก็ไปได้เหมือนกันอันนี้เป็นทุกข์าปฏิปทาท่านทาปัญญา ทุกขับปฏิปทากิปาปิญญานั้นปฏิบัติลาบากแต่รูเร็วไม่เหมือนคนก่อนรู้ง่ายจวนจะเป็นจะตา ย, ร, ตาายตริ้นรนกวนตวายจะรู้ง่ายเก็บกระชังมันปวดกระชังมันจะมาหายง่ายอันนี้อันนี้เป็ น, นคนที่สองคนที่สามสุขขับปฏิปทาทันทาปิญญานี่เรียกว่าปฏิบัติง่าย แต่รู้รอายอยาไม่ค่อยกระทบกระเทือนไม่ค่อยบุนไหวไปเรื่อยไป เ, ไปเนานๆบางทีประชวนจะตายนันเพีงจะรู้มีในขั้งพระพุทธเจ้าเราก็มีสุขปฏิปทาคิดปาพิญญาลักษณะที่สี่นี้ประเรียกว่าปฏิบัติเป็นสุขเป็นสุขง่าย รู้ก็ง่ายๆอย่างนี้ก็มีอืมอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้มันเป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้อืมันก็เหมือนกันเนี่ยมันกันกัุกขจิตันยูวิปจิตันยูแม่นิยตประพัลมะปุกขจิตันยูนั้นจิตนั้นไม่ต้องมากพอไปมองมองดูต่านี้ก็รู้แล้วว่า ท่านจะอะไรทำอย่างไรพอแต่ว่าอารมณ์เกิดขึ้นมาปุ๊บให้เป็นทุกข์เท่นั้แก่พบเลยว่ามันว่าอย่างไรเร็วมากอุปจิตติจินยูิปจิตติจินยูอะแนะนําำอะพิจารณาเปรียบเทียบให้ฟังอย่างมันจะเอาทุกข์ทิ้งเราก็คืนสองคืน ไ, ได้แต่มันจะปล่ายแก้ตกไปได้แนะนําได้แก้ไขได้ เป็นวิปปติันอยู่เนยยะเนยยะบุคคลเนะี่พูดถึงจิตนะนี่นะชื่อของจิตเป็นอุกติตนอยู่อุกตกิกันอยู่วิปปิติตนอยู่นยเนยย ะ, ะ, ะพระธรรมนี่พูดถึงเรื่องจิตจิตที่มนรู้เร็วมากคนนี้ถ้าเป็นม้าแล้วก็ไม่ต้องเครียดยกแสไปเลยบินเลย เห็นแต่เงาแจ่มันก็วิ่งแล้วยิ่งไปติดกันอยู่นี่ละพอแนะนําได้ต้งยกแชจ้เพืนไม่ใหวิ่งต้อเคียนมาตัวนี้มันถึงวิ่งท้าตีสามส้งเคียนไม่หยุดเออไม่วิ่งส้งเคียนบ่อยมันถึงวิ่งงั้นมันไม่วิ่ง เนย่ายไปท่าปรมานี้เอออยากจบเขียน้งไปฮะไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องวิ่งไม่ต้องเดินถูกอารมณ์อะไรก็อยู่นั่นแหละสังสอนไอ้พี่พอใจมองเห็นได้ก็ไม่ไปอยู่เขียนมันไก็อยู่นะจิตอันี้มันไม่เห็นมืดหลายอันนี้มืด อันนี้ลำบากมากตัวที่สี่นี่พระพุทธเจ้าเอาที่กันไมันจะทิ้งอะไรมันจะทิ้งในความเบียดเบียนดอกสอนไม่ได้ในควาใจแต่ก็ทิ้งไว้เพราะอะไรกรรมเก่ากรรมเก่าเข้ามาแทรกจนกรรมใหม่เข้าไปไม่ไหวเมื่อ น, น้ำ ม, มาในขวดแล้วมันเต็มแล้วมันไม่พร่อง อยากจะได้น้ําใหม่นีก็เอาไม่ได้ต้องแเอาน้ําเก่า ก, ก่อนใส่ใจน้ําเก่าเป็นโหมดไปก่อนถึงเอาใหม่อือย่างนี้กุมันกรรมฉันนั้นถ้ามีกรรมธรามาแทรกจะลําบากถ้ามีกรรมเก่าธรามาแทรกจะลําบากมากฉะนั้นอย่างใดคอตามเถอะพวกเราทั้งหลายนั้นอืมันจะเป็นมันจะเร็วมันจะช้ามันจะอะไรก็ระอะไรแต่การกระทําความดีนั่นแหะมันดี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 เมื่อกรรมมันนี้มันให้ผลอยู่กรรมอื่นมันให้ผลไม่ได้อย่างนี้ใครเคยเรียนกรรมไห ม, มกรรมมันนี้ให้ผลอยู่กรรมที่เราทาเยอะนี่ให้ผลไม่ได้แต่ไม่เสียหายไปตรงไหนแต่เมื่อหมดกรรมนี้แล้วกรรมนั่นต่ออย่างนั้นจึงทาอ่ะถึงถามว่าทาแล้วไม่เสียหายทำไว้เพื่อเพื่อประโยชน ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถึงไม่ถึงการไม่ถึงอิรามันแล้วเป็นต้นมันก็ยังอยู่ฉะนั้นทุกคนซึ่งมาเลยทำการปฏิบัติในวัดของประพง์ในปัญญานี้จงให้ยึงลักษณะการปล่อยวางในเพื่อนพระภิกษุสมเลีเราทุกๆคนนั้น ให้เห็นอกเห็นใจกันให้รู้จักช่วยกันทุกอย่างให้สร้างบารมีร่วมกันต่างคนต่างสร้างอกตัางใจทุกคนนี้ทุกวันนี้ที่เรามาอยู่รวมกันนี้ให้เข้าใจว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าทุกคน ไม่ใช่ว่าเป็นบุตรของพ่อแม่เป็นบุตรโดยธรรมะถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามโอวาทธรรมะคำสั่งสอนของพ่อแม่ก็ดูถูกพ่อแม่เราเองอย่างที่เราประกาศไว้ว่าพุทธทางจรรญังขัจฉานิธรรมังตรรญังปัจฉามิ สังขังตะนางคฉานิอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นเป็นวาจาที่สำคัญนะเราถึงพระพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นที่พึ่งที่นับถือของเราแล้วคำมังตะนางคฉานิเรานับถือถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งที่นับถือของเราแล้วสังขังตะนางคฉานิ เราถึงพระสังฆเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่มั่นคงของชเจ้าแล้วอย่างนี้เป็นต้นพูดง่ายฟังยากพูดง่ายปฏิบัติยากถ้าไม่ตรงไปตรงมาไม่รถคิถิมานะเราจะไม่ถึงพระพุทธไม่ถึงประธรรมไม่ถึงประสงอย่างนั้นข้อพระพุทธปฏิบัติอย่าไปแยงแยง่งตื่นกันเริงกันเมื่อเวลารามาสร้างบารมีมีมัทรุถึงที่มัน จะมีเวราอยู่น้อยกว่าจริงจะมีเวราอยู่น้อยกว่าจริงให้มันน้อยเหมือนมูเหา่าให้มันมีพิษจะไปน้อยเหมือนอย่างอื่นให้มันเกิดประโยชน์ให้คำนึงถึงว่าเราทำความในถูกต้องอยู่สักร้อยตีหรือพันกีคนหนึ่งดีหลาย เรามาทำความดีสักห้าวันหรือเจ็ดวันนี้จะต้นก็ยังดีกว่านั้นมากมันจะชัดนัดก่ากันอย่างน่าหัยผลอย่างนั้นทุกคนมันได้จวนครึ่งัาษามานาะ้ค้อนภาษาแล้วตามความจริงลักษนะของคนเรานั้นถ้า น, น, นานๆไปมันชอบอยากอย่าประมาณที่ขอวัดเราจะนาติดตั้งไว้ไม่เสมอต้นเสมอปลาย แสดงว่าปฏิปทาของเราไม่สมบูรณ์ดังนั้นที่เราตั้งใจไว้ในป่อนภาษาว่าเราจะทำอะไรกันก็จ้องทำประโยชน์อ น, นั้นให้มันสมบูรณ์ระยะสามเดือนนี้ให้มันตลอดต้นตลอดป้ายนี่ต้องพยายามทุกๆคนให้เป็นทุกๆคนเราตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติกันอย่างไร ก่อนขอพันศาทำกันอย่างไรขอวัดเราต้องทำอย่างไรตั้งใจอย่างไรให้ระลึกถึงระลึกถึงว่าจางว่ามันย่อยออนก็ต้องปรับตัวปรับปุงด้วยอยเรื่อยเหมือนการภาวนาทำอนาปานัตติรมหายใจหายใจเข้าออกจะมั่มเสม อ, อม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 สร้างความดีของรเราสามเดือนด้วยในภาษานี้ทุกคนอถือว่าถือเป็นสันธิใหม่มตั้งใจใหม่ตั้งจิตใหม่เลิกกันถึงแม้ว่า อ, อยู่ในพระนี้รื้อออกไปแล้วเป็นต้นก็ให้มันเป็นในสัยก็ให้เป็นปันใจการทําดีแล้วมันไม่เสียเราการทําถูกแล้วมันก็ไม่เสียอื ม, มันจะไม่ดีแต่การทําไม่ดีเท่านั้นแหละ มันจะไม่ถูกแต่การทำไม่ถูกเท่านั้นแหละมไม่ไปที่ไหนเลยอยู่ที่จิตใจของเจ้าของนั่นไอ้ความชั่วเราทำมาแล้วมันไม่พอจะวายใจนี่เรวลึกมาแล้วนึวงนนี่ค ด, ดีสองเดือนนี่ดีสองเดือนสามเดือนมาแล้วคดี เ, เกิดมากคดีแล้วก็ไม่สบายใจถ้าเราทำสิ่งที่ไม่สบายเช่นว่าในวัดนี้ตั้งแต่ก่อน เราเป็นฆราวาสเรามาทุกขอโเคียนพระถูกไเป็นต้นเสียไปฟังหนึงถึงแม่ว่าเราเข้ามาวัดมามองเห็นียนพระนี่โอ้ยมันบาปแล้วเกินถึงแม่ว่าเราอยู่นอกไม่เข้ามาวัดเราคิดถึงเมื่อไรมันก็บาปอยู่เหมือนนั้นไม่สบายเนี่ยถึงแม่เรามาบวชอยู่ชะนี่เป็นต้น ยิ่งแล้วการยิ่งมาไหว้าาทันตะวันตะวันเนี่ยเสียงท่านไม่มีพอเราทุกไว้ปเนี่ยนี่เดียวกว่าการทําไม่ดีเนี่ยบาปไม่เคยสบายใจเลยนี่นี่เลยไอความชั่วทําแล้วภายหลังเดือดร้อนไอความดีเราทําแล้วไม่เดือดร้อนอันนี้ก็ฉันใดฉันนั่นอืวันนี้วเวลามาทําเป็นพระ ไว้ดีแล้วปฏิบัติดีแล้วมันสบายได้เพิ่มึกไปแล้วใคจะหันหน้ามาวัดตลวงปพงศ์แม่มันสบายมาถึงเมันก็บารพณอบรรแณ์ไม่อะเราง่ายเราสบายเป็นที่พื่นของเราเป็นที่พื่นของลูกหลานของเราอันนี้สถานนี้เป็นสถานที่สร้างคุณงามความดีของเราในชีวิตนี้อย่างนี้ให้มันเนี่ยหาไวา้ในใจของเจ้าของเน่ยดีมาก นี่เนี่ยการกะทำนี่เองกาทำไม่ดีแต่มันก็ไม่ดีในภายหลังกันแหล